เรื่องวิญญาณกลิ่นดอกกุลาบแปลจากนิตยาศารเฟ็ประจำเดือนเมษายนคลิตธศคราช1970กุลาบแทย่างไรก็ดูสวยดีสิ่งความหมายเป็นคําเอ้ยทนหัวใจกุลาบข้าก็ดู